มีใจครองที่ไม่มีใจครองก็ตึกลามบ้านช่องต้นไม้ใบหญ้าไม่มีใจครองอ น, นี่ก็ตกอยู่ใต้กฎอันนี้เหมือนกันใต้กฎแห่งความเป็นอันนี้จังเป็นทุกขงังเป็นนาฏศรีตกอยู่ใต้กฎอันนี้ เราพีรนาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นชัดเห็นจริงเห็นแจ้งพระจักขึ้นมาในใจว่าโอ้สิ่งนี้ไม่เที่ยงจริงสิ่งนี้ทนอยู่ไม่ได้จริงๆริงสิ่งนี้เป็นไม่เป็นนา ต, ตาเป็นอัตตาไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาอัตตาคือตัวตนแต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่ า, าตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเรา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 ก็ไม่แตกสลายไม่ตายท้าธาตุสีนี้แยกกันอยู่เช่นเนื้อหนังมังสานี่ก็ตลอดึงกระดูกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำามกน้ำลายน้ำามูดส่วนน้ำก็ไปอีกแข่งหนึ่ง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 ใจก็มายึดถือเอากายอันนี้แหละว่าเป็นของเราว่าเป็นของเราแต่พอได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระรีบุคคลแล้วก็จะเข้าใจอีกว่าอ๋อกายแท ก, กิ่งไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่ของเราทุกพบทุกชานไปเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีกายใหม่ไม่ได้เป็นกายเดิมกายเดิมก็สลายไปแล้วก็ได้กายใหม่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 ดันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังผมขนฟันหนังเล็บนผมขนฟันหนังเล็บเล็บหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของสุบกบก เป็นของน่ารังเกียดสมมติว่าเราเข้ า, เอาอาหารมาให้เรากินแต่เขามือของเขาหลบไปคนซะก่อนเราจะกล้ากินไหมเราไม่กล้ากินเลยต้องใช้อย่างอื่นคนถ้าใช้มือลงไปคนเราก็เห็นความโสกรปรกแล้วนี่แหละ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 ปากก็เหมือนกันเต็มไปด้วยหนอนทวารหนักทวารเบาเต็มไปด้วยหนอนตรงไหนมันแตกวันปรีน้ำเหลืองไหลที่แข็งแข็งเต็มอยู่เป็นหนอนเจาะอยู่ตามนั้นแหละเจาะใส่อยู่ตามนั้นแหละตามร่างกายของเราทั่วไปหมด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 อินตัวก็แรงขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วก็เน่ามิ้นไปหมดแหละนี่แหละไรพิจนาอย่างนี้เข้ามาที่ตัวของเราเหมือนกันว่าตัวเราก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นวิปัสนาอย่างหนึ่งเราเลือกใช้ได้เลยว่าจะเอาอะไรบ้างมาพิจนามาไต่ตอง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 ที่นาดูตามนี้แหละถ้าพูดไปแล้วหลายเรื่องก็จะจำไม่ได้ให้ทำเอาอันเดียวเช่นที่นาเป็นธาตุสีก็เอาอันเดียวที่นาเป็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายก็ที่นาไป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 เราทำหน้าที่เผาฝังไปต า, ามเรื่องของคนอื่นแม้เราตายก็เหมือนกันเขาก็เอาไปเผาไปฝังเหมือนกันเขาก็ไปเก็บไว้ตัวกลขึคืนมายิ่งกลัวพีหลอกอีกซ้ำต่อยู่ด้วยกันไม่เห็นตายไม่เห็นกลัวพอตายแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมากลัวผีไ้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 เป็นพระนาคามีเป็นพระอรหันต์ความตายของเราก็น้อยลงถ้าเป็นบุทุชนอยู่นี่ความตายนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ทั่วจะต้องเกิดต้องตายอย่างนั้นแหละอย่างเป็นคนนี่ก็เกิดตาย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 เพียงเ็ดชาติเท่านั้นเองชาติที่แปดไม่มีเกิดในมนุษย์เ็ชาติก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็มาเกิดอีกชาติเดียวถ้าเป็นพระนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์นี้อีกเลย เสวยสุขอยู่พรมโลกชั้นสุทาวาสห้าชัน้นคือชั้นอวิหาชันาา้นระดับปาชั้นทุทธสาชั้นถุสุทธศีชั้นอากนาริธาพรมโลกห้าชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้ปฏิบัติธรรมในมนุษย์ในบรรลุเป็นพระอะไรเอาเป็นเป็นพระอนาคามี ก็ไปอยู่พรมโลกตายแล้วเน่ยไปอยู่พรมโลกไม่ได้กลับมาเกิดในมนุษย์อีกก็จะบรรลุเป็นพระอรหันในพรมโลกนั้นแหละสิ้นอายุผมก็เข้าพระนิพานไม่ได้กลับมาเกิดในมนุษย์อีกเสวยสุขอยู่ในพรมโลกสุทาวาส่วนพรมโลก ชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงส6บหถึงยี่สบอันนั้นเป็นผมทั่วไปเราเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปเกิดตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผมหรือบุญกุศลมากก็ไปอยู่ในพรมโลกแต่ไม่ใช่ผมโลกคือทาวาสนี่แหละ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 มันเกิดได้มันกระดับได้เห็นแย่งชัดอย่างนั้นอ่ะอันเป็นพระอรหันทรัตน์ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านแทงตลอดอริยมรรคอริยคนคนจากทุกขเมื่อกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกเลยไม่ว่าไม่ว่าพบนั้นพบนี้อีกแล้ว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 ศรัทธาทิกะวิริยาทิกะสร้างวลรรีต่างกันพระพุทธเจ้าของเราสร้างวลรรีปัญญาทิกะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สังสมความดีอยู่เสียสงไข่กับแสนมหากับหลังจากได้รับพยากรแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ รับพยากรจากพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรขอพุทธเจ้าว่าบุรุษคนนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่ออย่างนี้มานดาจะมีชื่ออย่างนี้บิดาจะมีชื่ออย่างนี้เขาไล่ไปหมดแหละพยากรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า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 แดียว่ายี่ห้าเปอร์ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าได้บรรลุสูงขึ้นเป็นพระสกิทาคามีก็ได้ห้าสิบเอร์เซนแล้วถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้เป็นอนาคามีก็ได้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 เราก็จะได้เป็นพระละหันอยู่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังถามว่าพระระหันมันดียังไงพระละหันมันก็ดีตัวไม่มีโรคโรคใจไม่มีกิเลสไม่มีในใจโรคหลกไม่มีในใจราคาโทสัมโมหะไม่มีในใจ มันก็สบายส่วนโลกกลายมีอยู่เก็บนั่นปวดนี่เป็น น, นั้นนนี่มีอยู่แต่ใจของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีมันไม่มีทุกข์หัวใจน่ยไม่มีทุกข์แต่ถ้าเป็นบุญชุชนอยู่มันทุกข์หมดกายเก็บมันก็เป็นทุกข์เป็นโลกนั้นโลกนี้มันก็เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจ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 ให้ตาของเรามีมดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นมีดวงตาเห็นธรรมถ้ถามีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บคนทุกข์ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัดตสงสารเพราะในวัดตสงสารนี่มันมีทุกข์มากเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์เป็นนั้นนั้นเกิดเป็นวัวเป็นควายเขาไปฆ่ากิน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 คนยังสู้มันไม่ได้เลยมันดันขาดดันไถจนผอมก็นาจะเสร็จนี่แหละเพียงกินข้าวต้นเดียวสนั่นแหะตีจนดังจนขาดนะดูสิเป็นวัวเป็นควายพวกลิ้นพวกยุงพวกเหลียบกัดกินเลือดเนื้อนกัดกินเลือด ทนทุกข์ทรมานไล่ออกได้โดยการหางเอาหางไล่ไล่ลิ้นไล่อยู่ทนทุกข์ทรมานเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรดก็ทุกข์มากเปรดก็มีทุกข์หิวห้อยอดอยากเป็นสัตว์นรก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 ก่าจะพ้นจากกองทุกข์อ น, นั้นได้ก็ใช้เวลาอีกนุมนานกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกก็นานแสนนานอันนั้นทุกข์ส่วนไปสวรรค์ไปพุท ม, มโลกไปนิพพานเป็นสุขเป็นสุขมีความสุข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 ยกเว้นผู้นั้นในตำาหน่พระอาเรียเจ้าไว้หรือพระสงฆ์ไว้มันจึงภาวนาไม่ขึ้นคือไม่ได้บรรลุจะต้องตกนรกไปไหมในอวิจีมหารลรกก่อนถ้าถึงมันให้ตำาหน่ขอพโทษบาปมันแรงแต่ก็มีวิธีแก้ไขโดยการขมาโทษขอขมาโทษแล้วก็เป็นันหมดก็ไม่ต้องไปอวิจีมหารก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 เห็นความจริงแล้วใจเราสบายเบาเหมือนเราหาบของมาหนาักหนักนี่แหละเราปร่งลงวางลงเราสบายแล้วนี้เบาสบายวางของหนงักหนักนั้นลงเบาสบายทันทีกปัญจขันปัญจขันนี่เป็นของหนัก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 ถาวางขันหได้น้อยก็เป็นพระสุรบัลวางขันห้าได้ประมาณ50เปอร์เซ็น์ก็เป็นท้าสกิทาหามีถาวางได้75เปอร์เซ็นก็เป็นพระนาคามีาวางได้ร0 0ยเปอร์เซ็นก็เป็นพระลหันวางขันหันแต่วางยังไงใจเป็นผู้วางคือความยึดถือในตัวตน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 เห็นเป็นทุกขังความทนดูไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาความไม่เป็นของว่าเปล่าจากตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่ของเรานั่นของเรามันเห็นละเอียดในใจของเราปานนั่นนะเวทนาก็เป็นหน้าตาเป็นอนิจจังทุกขังองหน้าตามันกันคือความรับรู้อารมณ์ภัย เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเรารับรู้อารมณ์นะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหมือนกันสัญญาความจาได้หมายรู้สัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาเป็นนิจจังขไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้ เป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงสัญญาคือความจำนะสังขารความคิดนึกปูกแต่งมันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นหน้าตาเหมือนกันวิญญาณก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกัน ถ้าเราวางได้ทุกของเราก็หมดถ้าเราวางไม่ได้ทุกของเราก็มาเพิ่มพบเพิ่มชาติให้อีกเพิ่มความทุกข์ให้อีกถ้าเรายังเจียวเกิดเจ่าวแก่เจียวเก็บเจียวตายก็เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองอยู่ตลอดแต่ละวันที่เราทากายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมของเราเนี่ คำทางกายคำทางวาจาคำทางใจเราสร้างทุกวันทำทุกวันคำดีก็ทำคำชัว่วก็ทำนั่นเราก็หมุนเดินไปตามวาัตานั่นแหละเกิดแก่เก็บตายอย่างนั้นแหละบางทีก็เป็นคนบางทีก็เป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่สารพัดแต่จะเป็นแต่ถ้าเราพ้นทุกข์แล้วเราไม่เป็นระวางขันห้าได้หมด เราไม่กลับมาทุกข์ในวัฏสงสารนี้อีกเลยนี่ว่าเราละขันห้าได้เรเราก็ไม่กลับมาเกิดในภพภูมิไหนๆอีกเราก็เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะเป็นวิสุทธิเทพอยู่สุขสบายจิตใจก็ไม่มีทุกข์อะไรอีกแล้วนี่เป็นดังนี้ จำกัดไว้เฉพาะพระหรือถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือเป็นพระโสดาบันโพสกิทาคาพระอนาคาาพระอรหันต์ไม่ได้จำกัดเฉพาะพระผู้ถือศีลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายก็สามารถชำระกิตให้บริสุทธิ์ได้เหมือนกันหมดแล้วแต่ใครจะเข้าใจละเอียดแค่ไหน และทําเป็นแค่ไหนถ้าเราทําได้มันก็เต็มตำทำมานุธรรมปฏิปฏิผู้ปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือพอที่จะบรรลุมันก็บรรลุขึ้นไปได้พอที่จะหลุดพ้นมันก็หลุดพ้นขึ้นไปได้นี่แหละคือปฏิบททัติธรรมทาให้ปฏิบททัติธรรมไม่หลุดหรอก ต้องติดอยู่ในวัฏสงสารนี่อีกหลายแสนกับพระพุทธเจ้าเสียอลียยมีแ ต, ต่เราจะเกิดมาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นยิ่งโจกทุกแก่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นะอะไรมันก็ยึดถือเป็นจิ่งโจกทุกแก่นั่นแหละมันก็ไม่พ้นจากทุกไปได้พระพุทธเจ้ามาแต่สรู้อยู่แต่เราไปเกิดเป็นซาดิรสารนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเกิดเพื่อตายเล่นเฉย อยากเรามาเกิดนี้ก็ทันพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าปรินีพ่านไปอายุแปดสิบปีเกิดปรินีพ่านคือตายคือดับทั้งหมดดับรอบอาจารย์เรียกว่าปรินีผ่านดับความทุกข์ทุกอย่างหมดสิน้นถึงพันิพานเนีวยเพราะฉะนั้น เราปล่อยวางละเลิกเพื่อถอนความยึดความถือความสำคัญวั่นหมายในตัวตนได้มากเท่าไหร่จิตยิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละเรามาปฏิบัตินี่เราก็ไม่ได้มา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 มันยังผิดอยู่คือยังเห็นผิดอยู่นั่นเองให้พยายามปฏิบัติทุกคนอย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจของดีมีอยู่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วแสดงไว้แล้วเราไม่ต้องมากเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกไม่ต้องสร้างบารมีเสียสงไข่เซนมหาหักเหมือนพระพุทธเจ้าหรอก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 เอาคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติแค่เอาลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมากระทำรักษาสินห้าสินแปดสิน 10, สิบสิสองรอยีิบเจ็ดดีอยู่แล้วก็เอาธรรมะของพทธเจ้ามาปฏิบัติเอาลมหายใจมากาหนดมากาหนดรู้จนจิตของเราเป็นหนึ่ง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 ท่าเนี่ยมันเป็นตันหากามว่าตัญหาอยากในกรามเพราะว่าตัญหาอยากในภพที่เพราะว่าตันหาอยากในอวิภพนี่แหละความติดความอยากความคล้องความหลงนี่มันยังมีอยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์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 วาจากิรจาชอบสำ ม, มากัมมัะการงานชอบสำ ม, มาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสำ ม, มาวายามะเพียรพยายามชอบสำ ม, มาสติตั้งสติมั่นชอบสำ ม, มาสมาธิตั้งใจมั่นชอบสติสมาธิ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 ให้พิจารณาจุดใดจุดหนึ่งให้เห็นชัดลงไปจนปล่อยวางขันห้าได้คือเวนจากขันนั่นนะขันห้านวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณโงงผาละอันหนักลงโดยแต่ผู้รู้โดยแต่ใจสว่างสวัยอยู่ไม่งอนแง่นคอนแกนกับอะไรแล้ว รู้ชัดแล้วความเกิดแก่เก็บตายชาตินี้เราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเรามายึดมัน่นถือมั่นอีกแล้วทุกของเราก็ไม่มีภพชาติของเราอีกก็ไม่มีการจะไปติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนี่จะบอกเขาถึอธรรมสูงสุดเป็นพระริย บ, บุคคลชั้นผาราหันนี่ท่านแสดงไวอ้อย่างนี้ก็นํามาแสดงให้ฟัง อีกที่หนึ่งขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป